วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องมหากิริยาจิตท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระวิธรรมในวัน 8 ที่แล้วมหากิริยา ความหมายของคําว่ากิริยาเป็นประเด็น 8 <c oughs> ว่ามหากิริยา 8 นั้นเมื่อกล่าวโดยขอบ <c oughs> แต่เกิดภูมิใดไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นภูมินั้น <c oughs> กระทำบุญสืบหมายความว่าถ้าใดๆก็ไม่สามารถที่จะเกิด เราก็คงจะเรียกว่าเป็นบุญไปอย่างนั้นโดยความหมายหรือโดยเนื้อหาจริงๆแล้วการกระทําของพระอรหันต์นั้น เพราะฉะนั้นก็ขอได้เข้าใจว่าที่กล่าวว่าบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์สําหรับพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องของกิริยา คือคันธาตุระได้แก่ธรรมสวนะหรือธรรมเทศนานี้เป็นส่วนที่ อีกอย่างหนึ่งของพระอัสสชิที่แสดงแก่ด้วยและการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> ก็เพื่อประโยชน์ในทางความสุขที่เรียกว่าปัสสุเหียนและธรรมก็ไม่ได้มุ่งหวัง <c oughs> <c oughs> อรหันต์สองอย่างนี้จะอยู่ด้วยด้วยธรรมะ 2 อีกอย่างหนึ่งก็คืออปายายนะที่เรียกว่าเป็นอาจาระคือเป็นความประพฤติทางกายอันนี้ก็ เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดเจนในพระไตรปิฎกคราว ที่นี้ประจวบอย่างยิ่งกับผู้ที่เรียนพระภิกษุธรรมนั้นก็เนื่องจากว่าผู้ที่เรียนพระและสัมมากัมมันตะ การสามอย่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระทําผิดทางกาย 3 อย่างและอีกอย ในสถานการณ์อย่างไรในเงื่อนไขอย่างไรท่านจะไม่มีเจตสิกที่ทําอ่าไอ้ตรงนี้น่ะก็อธิบายในส่วนตรง 3 ตัวนี้ นะความดีนี่ก็ไม่ต้องเกิดนั้นก็ง่ายๆ20 ปีนะศีล 20 แล้วก็มีทีแรกนั้นก็มีเล็กน้อยก็มีทีๆนะที่เรียกว่าศีลถูกกําหนดไว้อย่าง 227 ที่เฉพาะ การก่อตั้งพระพุทธศาสนาแลพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในพระไตรปิฎกว่าเพราะเหตุว่าสัตว์เลวลงสัตว์ まあเมื่อเราๆเนี่ยน่าจะเป็นตัญลักษณ์ของความที่มีคนดีมากแต่ว่าไม่ๆเนี่ยน้อยแต่ว่าไอ้ แปลว่าเมื่อสัตว์เลวลงนั้นศีลข้อระเบียบต่างๆมากขึ้นนะเรารู้ถึงน้อยเดี๋ยวนี้กฎหมายมากขึ้นนะเนี่ยเพราะ นะนี่คือหลักที่เรารู้กันมาแล้วสําหรับบางคนนะครับผมตบตวน แต่เป็นผู้ที่กระทําพอสมาธิหรือกับธรรมพอประมาณในปัญญาพระอริยบุคคลพวกนั้นก็คือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีส่วน แต่ทําด้วยในจิตด้วยแล้วก็ใน คือในสมาธิก็จึงไม่มีด้วยไม่ได้กล่าวอย่างนั้นกล่าวว่าบริบูรณ์เต็มที่ทั้ง 3 อย่าง 3 ส่วนแห่งนะก็เป็นนั้นว่าตรงนี้เนี่ยเราจะถาม ปลาหลานกลายเป็นหรือมีเป็นบางครั้งไม่หรือมีศีลเป็นบาง แลแม้กล่าวว่าองค์ธรรมคือวิริติโอกาสในบางช่วง สัตว์ผู้ดันว่าเป็นผู้ที่เกิดศีลอย่างนั้นนะและสิ่งหรือปรากฏการที่นับเนื่องด้วยความ ก็อย่างว่าศีลมีอยู่ 3 สภาวะที่ท่านพูดถึงคือหนึ่งเจตนา เจตนาเป็นกามฐานเป็นกรรมอย่างหนึ่งเจตนาให้เจตนานั้นก็เป็นฐานเจตนารักษา 2 ศีลบอกไม่ทําติโมทพระสมาทานศีลแล้วไม่ ปาราชิกข้อ 1 ไม่เสพในทุนกับมนุษย์หรือเดรัจฉานหรือ เอาจําไม่กล้ามนุษย์นะเป็นไปบวชจะต้องบอกว่านี่เป็นกิจที่ไม่ควรทําของผู้ที่เป็นปปจิตแล้วว่านิสัยอันนี้ก็ถือเป็นศีลว่าพระนั้นจะต้องบินทบาต การเลาะบาใจ 4 ของพระอยู่โคนต้นไม้ก็สัญญาที่นองจากฮะ นะไอ้การเนี่ยชื่อว่าเป็นเจตนาศีลอันนี้เอาไว้ระวังหลักตัวนี้ก่อนตัว ที่เรียกว่าเจตนาศีลได้กับเว้นหรือตั้งใจว่าจะทําอย่างเจตนาและเจตนามันตั้งใจล่วงหน้าได้แต่ว่าถึงเวลาๆอาจจะทําได้ เราจะไม่ทําความนะรับผ่าก็จะไม่ทําตาม วินัยกรรมต่างๆแล้วถือว่ามีเจตนาแล้วจะไม่ทําความผิดใช่มั้ยเราสมาทานศีลกันบ่อยๆใช่ไม่ใช่นั่น ชนิชที่มาทําให้เกิดการเว้นที่จะไม่ จะเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองโดยมิชอบขนาดนั้นเราจะพึงเว้นได้ก็เพราะอิรัติเจตสิกมาทําหน้าที่เป็นเครื่องขับข้ามใจแต่เราเอ่อ แต่ว่าลักษณะการห้ามจากความชั่วหรือการให้ทําความดีแตกต่างกันไปตามอาการตามลักษณะของเจตสิกเช่น<ใช> อิริโอตปะที่ละอายคือเพราะอายแล้วขณะนั้นไอ้วิริติอาจจะเกิดด้วยคือเวลา จึงไม่ทราบว่าไอ้ฮิริโอตปาณนะแต่ว่า แล้วไอ้กุศลเจตสิกเนี่ยเป็นตัวมีส่วนที่จะทําให้เกิดการไม่ไม่กระทําความชั่ว บางจึงอะไรทุกอย่างก็ให้หยุดทั้งนั้นแม้แต่ๆเนี่ยที่เราจะนึกถึงเป็นเรื่องนะ มีได้คันเนี่ยだอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือความไม่ ก้าวล่วงน่ะหมายถึงก้าวล่วงคือละเลยข้อกําหนดเขา แต่ว่าความเป็นศีลตัวเนี้ยมันปรากฏในฐานะที่มีอหิริกานโทตปะเต็มความ โดยพุทธกิจเห็นเห็นอย่างคนที่เค้าสมาทานศีลซึ่งนอนหลับอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอันนี้ขอให้ เราจะมาตีฆ่าว่าอ้าวพอ 2 คนนี่ร่วมละเมิดเหมือนกันนี่ ตี 14:00 น. มีไม่เกาะ 6:00 น. น, น, นเดียวไงมีมั้ยไอ้คนที่มันเป็นฌานฆ่าสัตว์มันก็เข้าอยู่ในป่า คนมีเป็นคนมีศีลกับไม่มีศีลสลับกันได้หรือไม่ไม่ได้ครับท่านถือว่าเป็นคนเฉยๆว่างเวนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาเฉย โดยที่ไอ้ความเฉยเฉยของเขาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจาก ก็ยืนยันว่าไม่ล่วงละเมิดนะทีนี้เราก็มา มีศีลด้วยกันใช่มั้ยมีศีล ละอรหันต์นอนหลับอยู่ความที่พระอรหันต์ท่านไม่ไม่ต้องสมาทานมันก็ไม่มีว่า <c oughs> <c oughs> คือวิรติในมรรคแต่นี้เดี๋ยวจะพูดอีกพฤติกรรมเฉพาะหน้าเท่า มีเจตนาสมาทานด้วยแล้วก็มามีผลต่อวิรติเฉพาะหน้าบางคนไม่ โดยไม่ต้องห้ามอีกวิริติในมรรคเนี่ยเมื่อเกิดแล้ว ก็ได้ระยะไกลๆหรือสั่งไว้ล่วงหน้านะเกิดขึ้นครั้งเดียวเราสั่งล่วงหน้าเลยตลอด อ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วไม่จะคิดมากไปบวรแต่คงฟังรู้เรื่องไม่อยากถ้า แล้วทำไมพระอรหันต์เนี่ยเมื่อวิริติเกิดในมรรคแล้วหลังจากนั้นไม่ แล้วทําไมถึงไม่เหมือนราหูฟังคําถามบนเรื่องว่าฟังไม่ <หม. S 1> เมื่อจิตเนี่ยตัวห่าหมดมันก็ไม่ไม่ต้องมีเม็ดแล้วหมดไปแล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้วิรติตีตัววิรติตีเนี่ยมันไม่ได้ไปห้ามคนอื่นเขาว่าแกอย่าชั่ว คือนี้พระโสดาบันพระสกทามีพระอนาคามีน่ะวิราติของท่านถามว่าเป็นสมุจเฉทวิรัตติมั้ยในแต่สมุจเฉทกิเลสไม่หมดกิเลสใด ด้วยอำนาจในส่วนที่เหลือคุมกิเลสในส่วนที่เหลือเพราะยังยังละไม่หมดไม่สิ้นจริงก็เยอะใช่มั้ยน้อยนั่นก็ก็เฉยไอ้เรา flight 2400 นะสู่ลิเกลได้เนี่ยเราก็เป็นอย่างงี้จึงไม่ใช่การกําหนด แต่กล่าวโยงไปถึงเจตนากล่าวโยงไปถึงเจตสิกนะก็ดี ห้ามไม่ทําความดีวิ่งไม่กล้าล่วงแต่เลยพระอรหันต์นั้นจึงเป็นผู้มี อ่ะทีนี้ผมจําเป็นต้องต่อที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นิดว่าวิรัตีนนั้นพระอรหันต์ไม่มีเลยหรือหรือยัง แต่ที่พระอรหันต์มีวิริตินั้นที่มีใน 38 36 ชั้น 36 นี่ 3 ด้วยอัมมาวาจา ก็มีวิริย 3 เจตสิก 36 เหมือนกันนี่สําหรับคนที่อาจารย์เรายังไม่เรียนถึงเมื่อเจ พระอรหันต์ทายกิเลสแล้วมรรคก็ไม่ต้องเกิดอีก ต่อพฤติกรรมเว้นชั่วของพระอรหันต์แล้วนะฮะถือว่าเป็นเป็นวิริติฝ่ายวิบากอยู่ในวิบากจิต อันนี้เราดูตามโรม่าว่าวิรัตตี 3 ซึ่ง 3 วิรัตวิรัตตีนั้นเป็น 3 ถ้าเรียนพระภิกขุธรรมก็จะๆทั่วไปก็ เมื่อได้ยินคําว่าวิราตีอาจจะไม่คุ้นหูแต่วิรัตน์แล้วก็คุ้นหู แปลว่าในบทอธิบายของพระคัมภีร์เนี่ยท่านพูดนะนะขณะสมาทาน <c oughs> เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าละเว้นไม่ทําความเนี่ยองค์ สมถะสมาทานเนี่ยอันหนึ่งวิรติอันหนึ่งหรือสมาทานเป็นนะตอนสมาทานนั้นไม่ นะเรียกว่าสมาทานให้เอาเจตนาเป็นหลักเป็น ขณะนั้นน่ะถ้าเราเว้นวิริติ 3 ก็เกิดเพราะฉะนั้นนี่ๆฟังให้นั้นน่ะแต่ท่านว่าคน เขาเป็นคนรักสัญญาเขาจําได้ว่าเขาสมาทานไว้อัน 5 ข้อ 8 ข้อหรือ 7 ข้อก็ตามเรา มันเหมือนเบรกเอาไปไปไปซ้ําไปทําให้ดีเป็นพิเศษนะฮะจะรู้สึก มันมีผลและไคซิเวนเพราะการสมาทานการเว้นนั้นชื่อว่า 2 ข้อเนี่ย 3 ด้วย อ่าข้อ 2 สัมปัตติวิลักการเว้นเพราะถึงอยู่ถึงพร้อมเว้นอย่างถึงพร้อมสัมแปลซึ่งอ่าวิลามิตัพพะอยู่เว้นไม่ อ่าท่านในสัมพีท่านจะอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าอิริโอตตปะอันนี้เป็นเป็นสมุฏฐานนะอิริโอตตปะนี่เป็นมีใกล้ๆเหตุๆๆ <c oughs> ว่าเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าไม่ทำเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าเพราะสงสารต่างๆกันไปอันเหตุเฉพาะความรู้สึกขณะนั้น ทำไมถึงสงสารอีริโอตะปะปราลภอย่างไรตอบอ่าปราลภว่า พลันจิริโอตตปะนี่ท่านเอาอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นหลักซึ่งก็จริงๆก็มีความรู้สึกแวดล้อม เรียกว่าสัมปตาวิรัตณ์จํลับสมุทเถทวิรัตเป็นวิรัติเจตสิกที่อยู่ใน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอริยตีเนี่ยมันเกิดทีละตัวสัมมาวาจาเกิดสัมมากัมมันตะก็ไม่เกิดสัมมากัมมันตะ เมื่อฆ่าที่เลยเป็นสมุทรเขตแล้วไอ้ตัวนี้น่ะถึงแม้ว่าผู้เกิดๆคนที่เกิด เอ่อถ้าสมมุติเจตุวิรัตที่เกิดขึ้นเหมือนเราให้นึกถึงว่าเราสมาทานศีลอันเป็น แล้วก็เจริญกรรมฐานแล้วก็ดูแล จึงทําให้บุคคลผู้นั้นมีแต่พฤติกรรมไม่ล่วงศีลโดยไม่ นี่ 3 ข้อนี้ใครดีเหมือนกันเราก็ต้องตอบตรงกันแล้วนี่นี่ 2 ข้อบนนั้นเราควรจะทําข้อข้อไหนหรือหรือควรจะให้ราคาข้อไหนกว่าดีที่สุดข้อไหนอ่าบางท่าน <c oughs> เลยไม่ต้องให้สามารถจิตทีนี้อ่าเรามาคิดดูไอ้ไอ้อ่ะได้จบแล้วก็พุทธัง ทำไมนึกจะต้องไปนั่งพูดทางๆโยมดีไม่พูดบ่อยๆทําดีนะฮะบ่อยๆดีเป็นสิ่งดีอย่างเร้าๆ ก็ซ้ําอยากไอ้เอ่อย้ําเตือนเหล่าแล้วก็อันหนึ่งเนี่ย ต่อพฤติกรรมคนคนนั้นนั้นอันอย่างนี้จึงเรียกสมาทานถ้าเอ่อคนหนึ่งสมาทานโดยคิดจะรักษาจะน้อยว่าสมาทานหรือเปล่าชื่อ ในอันที่ได้ตั้งใจในการกล่าวนั้นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าสมาทานถ้าพูดจรรงเนี่ยคืออัน <c oughs> ไม่ค่อยน่าไว้วางใจสมาทานเสร็จแล้วก็บ่อยๆเนี่ยเกิดบุญ <c oughs> นี่พูดถึงว่าแม้ว่าจะๆหรือระดับนั้นๆในเวลา ไม่สมาทานก็ไม่ทํานะอีกคนหนึ่งเค้าอาลหะวันนี้พระอรหันต์ เป็นผู้มีศีลและมีศีลบริบูรณ์มีศีลเพราะเป็นผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมล่วงศีลแล้วโดยมีเหตุคือ ไม่ยากไม่ลำบากประทำแล้วก็มีความสุขมีความปรีติปราโมทย์ไปทุกเรื่องเอ่อท่านจึงใช้คํานั้น ตามพยัญชนะน่ะแปลว่าศีลอันเป็นที่รักใคร่เป็นที่รักของ อริยะตรงนี้นี้มีคนถามอ่ะจริงๆเวลาถามเนี่ยไม่ใช่คนทั่วๆไปถามคือศีลข้อไหนจึงเรียกอริยะกันตศีล หมายถึงความศรัทธาความชื่นชมความชื่นชอบ อย่างชื่นชมกับความรู้สึกชื่นชมมายกเช่นเรารักเนี่ย มันอ่านตรงนี้ท่านไม่ได้หมายถึงกิเลสคล้ายๆอย่างเรารักที่จะฟังธรรมะเรารักเรามีอยู่นะเรารักความกตัญญูของเราเรารักเอ่อความศรัทธาของเราเรารักธรรมะปฏิบัติธรรมะภาวนาที่เราปฏิบัติได้เนี่ยรักเกิดอาการคล้ายๆอย่างนี้ทํานองนี้นั้นพระอริยะเนี่ยท่านรัก กะคุณสมบัติในตัวของท่านตามศีลสมาธิไตรสิกขาเป็นเรื่องภาระเหมือนอย่างคนที่รักลูกคนเลยเพราะอะไร อาหารที่ตัวเองก็ต้องการตัวเองก็หิวให้ลูกกินเพราะอย่างนั้นได้ก็เพราะ ศีลก็เป็นของหนักน้อยใครรักศีลด้วยความบริสุทธิ์ศีลเป็นของไม่หนักเลยแม้ว่าตัวเองจะต้องตายที่เรียกว่าศีลที่อะปริยะอะปริยันตศีลนะศีล ไม่เสียความรักในศีลเอาชีวิตเข้าแลกไปเนี่ยเหมือนคนที่ ภาระเนี่ยท่านไหนนะพระอรหันต์ท่านไหนเนี่ยกันโอชาจึงสัตว์ว่า อ่าเบาเราว่าเป็นของหนักของๆแล้วได้อ่าๆไม่เหมือนเรา เราเนี่ยมาหมอรักษาศีลข้อ 2 เนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเป็นสุขจริงเลยอย่างเนี้ยนะทํา ตามโดนตามใจแล้วเลยเลยค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับ ก็ในมรรคเนี่ยเป็นขุมแห่งคุณสมบัติ ถ้าเราเราเองเนี่ยเวลาเรามีความรู้อันใดอันนะแล้วก็ใครคนอื่นเขา เราจะภาวนาภูมิด้วยกิเลสยังไงนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงถ้าสมมุติ เราปีติเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่มีเร เหมือนกับเราก็ถูกคนอื่นที่เค้ามีภูมิธรรมสูงกว่าเราเห็นใจเราว่าเราไม่เข้าใจเขาทํา ความจริงมรรคเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นชั่วขณะจิตเดียวน่ะมัน กล้ามก็ไม่ลืมใครจะมาเอาไปปั่นหัวยังไงก็ไม่ลืมมันไม่ลืมจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างยิ่งเป็นความหวังใจๆอย่างเราเช่นบาง อันวางสุขตําแม้ในเนี่ยว่างๆทีมาก็ผ่อนคลายความตึงนั้นนิดหน่อยก็รู้สึกตอน